เพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่เป็นปัจจัยแห่งจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะเพราะเขาที่เขาต้องการพระนิพพานสแสวงหาพระนิพพานเพราะว่าต้องการออกจากจุติและปฏิสนธิอย่างพระโพทิสัตว์ของเราเนี่ยตอนที่ไปหาอาลาละดาบท นะอุทกาดาบทรามบทอาราละดาบทกรามโคตเนี่ยอยู่กับอาราละดาบทการามโคตเนี่ยได้อากินจัญญายตนะสมาบัติท่านรู้เลยว่านี้นําไปสู่อากินจัญญายตนะพไม่ใช่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายไม่ใช่เป็นไปเพื่อคลายกําหนัดไม่ใช่เป็นไปเพื่อความดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อต ร, ตรัสรู้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการา ก, ก็เลยออกจากสํานักอาราละดาบท ไปอยู่กับอุทะกาดาบทก็ไปได้เนวสัญญาอีกภายในสองสามวันนี่นะทำได้แล้วเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์ในความสามารถเรียกว่าทางโน้นพูดจบทางนี้รู้เท่ากันกับคนพูดแล้วแล้วปฏิบัติอีกสักวันสองวันนี้ก็ได้แล้วเนวสัญญาเนี่ยนะพอได้เนวสัญญาก็มาถามอาจารย์บอกว่าเท่านี้หรอบอกว่าใช่นะอาจารย์ยกย่องใหญ่เลยก็บอกว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเพราะว่านําไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะพ ไม่ใช่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเนี่ยคือวิปัสนาเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดคืออริยมรรคไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเป็นไม่ได้เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะะฉนั้นทั้งก็เลยออกเลยผู้ที่มีอัธยาศัยต่ออสังขตะธาติจริงๆถ้ายังมีสังขตะเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ก็จะไม่เป็นที่พอใจเพราะว่าสังขตะทั้งหลายยังเป็นดินแดนแห่ง จุติและปฏิสนธิเนี่ยนะมันก็ต้องการออกโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงให้ตั้งความปรารถนา น, นิพพานเข้าไว้นะพอไปเจออะไรอะไรแล้วก็จะได้ไม่ติดไงจะต้องออกได้จริงๆนั่นแหละจึงกับพอ่านั้นนี่มาดูมักบ้างนะมักกะสัตมนั้นถ้าถ้ากล่าวโดยทมที่นับเข้าในมักกสัต์เริ่มสัมมาทิฏฐนะิสัมมาทิฐินี่ก็ ทำที่นับในสมาธิฏฐิมีวิมังสิทธิบาทเห็นไหมวิมังสาอิทธิบาตนะอิทิบาตหัวข้อว่าด้วยวิมังสานั่นแหละก็นับเนื่องในสมาธิฏิปัญญีนี่นะปัญญินรียปัญญินรีนี่ก็นับเนื่องในสมาธิฏิปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชฌงก็นับเนื่องในสัมมาธิฏฐิ อันสัมมาทิฏฐินิทในโพธิปัจขยธรรมก็ได้สัมมาทิฐิได้วิมังสิติบาทได้ปัญญินทรียปัญญาภะละธรรมวิจยะสามโพชฌงเพราะฉะนั้นได้5อย่างเป็น5อย่างส่วนสัมมาสังกปร์เนี่ยะก็มีท่ากล่าวตามโพธิปัจขยธรรมมีอยู่อย่างเดียวแต่ถ้าจำแนกก็คือเนกขมัสสังกปร์อพยปาธาสังกปร์ อ, รอวิหิงสาสังกปร์ ตัวเนคขมะสังคปะนเนี่นะเป็ น, เ ป, นเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาส่วนอัพยาปาธาสังกปะอวิหิงสาสังกปะเป็นสมถะอย่างเดียวนี่นะแต่ก็เป็นบาแทแห่งวิปัสนาด้วยตัวเนคขมะ สังกัปปะตัวสังกัปปะตัวนี้หมายถึงวิตกใช่ไหมตัววิตกเพราะฉะนั้นขอบเขตอย่างไรเสียต้องอยู่ไม่เกินปฐมฌานเงื่อนไขว่าไม่เกินปฐมฌานทีนี้เน่คัมาสังกัปปะนี่แบ่งเป็นสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็เป็นพวกอะไร นนะัสมถะก็คือเว้นถ้าจะให้เข้าใจดีเรามาดูอัพยาปาทสังกปะก่อนอัพยปาทสังกปะอวิหิงสาสังกปะเนี่ยนะอยปาทาสังกปะหมายถึงเมตตาวิตกที่เกิดร่วมกับเมตตาเบื้องต้นจนถึงปฐมฌาน ส่วนอวิหิงสาสังกปะก็คือวิตกที่เกิดร่วมกับกรุณาเบื้องต้นจนถึงปฐมฌานเองเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในประเภทอัพยาปาธาสังกปะและอวิหิงสาสังกปะส่วนเนคขมะสังกปะเนี่ยนะคืออันอื่นที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะอื่นจากอัพยาปาธาสังกปะอื่นจาก อวิหิงสาสังกปะที่เป็นกุศลสังกปะนี้เรียกว่าในคำ ม, มะสังกปะทั้งหมดเลยนะก็ทั้งส ม, มถะและวิปัสนาในคำ ม, มะส ม, มถะจริงๆก็กว้างรวมทั้งศีลศีลก็นับเนื่องในส ม, มถะเหมือนกันอันถ้าโดยสภาว ะ, มมะในกล่าวแบบโพธิปัจขยธรรมนี้ก็มีอยู่อันเดียวคือ สัมมาสังกัปปะได้สัมมาสังกัปปะอย่างเดียวส่วน ศีลศีลเนี่ยนะศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่เป็นศีลเห็นไหมเปิดตําราจเจอหรือเปล่านะ้อเจอกันนะยังไนิดเจอไหมเจอแล้วนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยโดยสภาวะเข้าเป็นศีลตรงตัวแต่ทำที่เกื้อกูลเกี่ยวข้องกับศีลคือสัตทินศีเ น, นี่ยนะเพราะว่าผู้ที่จะรักษาศีลได้นี่ก็ต้องอาศัย สัตทินศีเนี่ยนะสัตธินรีต้องมีกําลังจึงจักรักษาศีลได้สัตทินรีศรัทธานี่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกรรมมศกตาศรัทธากับตถาคตโพธิศรัทธาแบ่งย่อๆก็คือศรัทธาในพระรัตนะตรายอย่างหนึ่งกับศรัทธาในกรรมและผลของกรรมในอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยรักษาศีลเพราะกรรมมศกตาดี บางคนเนี่ยรักษาศีลเพราะศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรยัยแต่ว่าโดยรวมๆก็คือสภาวะของสัททินรีนั่นเองเพราะนั้นผู้ที่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะดีก็เนื่องจากมีศรัท ธ, ธาทั้งสัททินรีศรัท ธ, ธาพระผู้ที่มีศรัท ธ, ธามากศรัท ธ, ธามีกําลังศรัท ธ, ธานั้นเรียกว่าเป็นฉันทิฏฐิบาตเห็นไหมเพราะว่าผู้ที่มีศรัท ธ, ธานําหน้า ทั้งกรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยจะทําให้มีฉันทิฏฐิบาทเพราะในเนติปกรณ์เนติปกร์วิจยะหาระนี่เอาฉันทิฏฐิบาทนั่นแหละอธิบายเป็นสัตถินสีเนี่ยนะเป็นสัตทินรียเพราะฉะนั้นพวกสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะก็เป็นสัตทินรีสัตถาภละ ฉันทิธิบาศเนี่ยนะรวมกันส่วนสัมมาวายามะสัมมาวายามะนี้ได้หลายอย่างคือเป็นสัมมประทานสเนี่ยนะเป็นสัมมประทานสี่เ ป, สมมปสเป็นวิริยิธิบาศคือวิริยะอิธิบาทนั่นเองเป็นวิริยินรียวิ ร, ย ร, ะระิยภละวิริยสัมโพชงมันสัมมาวายามะเนี่ยนะถ้าตามฐานแล้วได้9้าฐาน เกฐานคืออะไรหนึ่งสัมมาวายามะใช่ไหมบวกกับสัมมาประธานอีกสี่เป็นห้าแล้วหวิรยิยธิบาทเจ็ดวิริยินทรีแปดวิริยะพละเก้าวิริยะสัมโพธชงเพราะฉะนั้นในโพธิปักขยธรรมนะวิริยะอย่างเดียวได้เกมากที่สุดนะโพธิปักขยธรรมสาิบเจดเนี่ยวิริยะมากกว่เพื่อนได้ตั้งเกแสดงว่าเป็นาศาสนาที่ชื่นชมความเพียรจริงๆรงใช่ไหมชื่นชมวิริยินศรีย์เป็นหลัก พันแสดงว่าบุคคลที่จะปฏิบัติธรรมด้วยอานาจศรัทธาจริงๆก็ไม่มากด้วยอานาจจิตเป็นใหญ่ก็ไม่มากนกะด้วยปัญญาเป็นใหญ่ก็ไม่มากนะจึงยกยกความเพียร น, นี่ขึ้นเป็นหลักนะจึงมีพุทธพจน์ตรงๆเลยใช่ไหมว่าสัตว์ทั้งหลายจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรวิริยนะทุกขมัตเจติเนี่ยนะส่วนสติ สตินี้ก็รองจากสัมมาวายามะเพราะสำคัญมากเนี่ยนะมีแปดมีแปดนะหนึ่งสัมมาสติสติประธานอีกสี่เป็นห้าหกสตินสีเจ็ดสติพระละแปดสติสัมโพชฌงเพราะฉะนั้นสัมมาสตินี้ได้เก้าฐานคือมีความสาคัญขนาดนั้นเออขอไปแปดฐานนยได้แปดสัมมาสติมีแปดด้วยกันในโพธิปคยธรรมสาสิบเจ็ดนะ ส่วนสมาธิในในองมรคเนี่ยนะสัมมาสมาธินี้ก็จิตนะอย่างอย่างจิตติดที่บาทเนี่ยจิตโดยทั่วไปก็คือกลุ่มสมาธิใช่ไหมสมาธิคืออะไรคือเอกคตาแห่งจิตนะโดยทั่วไปก็ยกจิตใช่ไหมอย่างพุทธพจน์ที่อื่นก็มันจิตตั้งปัญญจะภาวาอย่างอบรมจิตอบรมจิตนั่นแหละคือสมาธิเพราะฉะนั้นจิตสมาธิคืออะไรคือความที่จิตตั้งมั่นนั่นเองเรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้น จิตติดที่บาทก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสมาธิสมาธินีสมาธิภละสมาธิสัมโพชงส่วนบริวารของสมาธิก็คือเนี่ยปีติสัมโพชงปัสสัที่สัมโพชงและอุเบคาสัมโพชงก็ยังเกี่ยวเนื่องผูกพันผัวพันอยู่กับสมาธินั่นแหละถ้าดูตามหน้านี้นะจะเห็นว่าอริยมรรคนี่เป็นอธิปไตยโถจริงๆย บริบูร์ด้วยกุศลธรรมโดยประการทั้งปวงไม่ไม่ใช่คนที่ใจแคบแคบและจะบรรลุมรคผลได้เนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยนะเนี่ยจะต้องยานทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวนะตัวชื่อเป็นแต่ก็ยาของมาว่าไม่มากเท่าอะไรนะพวกวิตามินรวมหรอกโหยาวเฟ้ยเลยนะไอ้วิตามินรวมที่มากินทีละเม็ดทีละแคปซูลทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็เชื่อใช่ไหมเอก็ b ีีไอ้บีนี่ก็ b, 1, b, 2, 3, b, 6, b 12, ีห น, นึ่งบีสองบีสามบกบสิบสองอะไรนั่นทั้งหลาย b ออะนะ แล่วก็ยังมีอย่างอื่นอย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะเต็มหมดเลยนะขนาดนั้นก็ยังผลิตทานได้กันเนี่ยอริยมรรคทาไมเราจะทําไม่ได้เนี่ยมีอมะตะเป็นที่สุดด้วยนะน่าจะตําบริโภคกันนะยาดีมากเลยพ่อองค์บอกว่ายาภายนอกมีหายบ้างก็มีไม่หายบ้างก็มีแต่ว่ายาคือตัวเนี้ยถ้าถ้ารวมกันนี่ยหายอย่างเดียวไม่มีตายเนี่ยนะหายอย่างเดียวแต่ว่าตํายากสะเพื่อน ก็ดูนดว่าช่องนี้ น, นะแต่เป็นเครื่องวัดว่าใครใกล้พระนิพพานแล้วก็ดูได้จากช่องขวามือเนี่ยคือคําว่ามักเนี่ยแปลว่าเป็นธรรมชาติที่สแสวงหานิพพานโดยสภาวะของเขาหรือผู้ต้องการพระนิพพานต้องอ บ, บรมมักเห็นไหมต้องอ บ, บรมมักเลยถ้าใครต้องการพระนิพพานต้องเจริญอริยมักจึงจักได้พระนิพพาน ฝนที่ตกจึงเยอะมาวาจากลุกสีนี่ก็ยังไม่ค่อยดีสะพานน้อยความเพียรแน้อยเต็ทีสติก็กระพ่องกระแกล้ง <c oughs> มาทีก็ไม่เคย เ, คยเคริ่มปีติก็ไม่เคย เ, คยเคยกิดนี่โยมคนหนึง่ง น, นะมาเล่าว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มีปีติเหมือนคนอื่นเลย <c oughs> คนอื่นเขามีปีติกัรโยมทำไมไม่มีปีติเลยเขาบอากัน เดือดร้อนเพราะไม่มีปีติมีบางแห่งก็บอกเอาน้ํารูปท้องเขาสิเหมือนนั่งเขาว่านั่งนั่งสมาธิให้มีปีติใช่ไหมเอาอะไรมารูปรปให้ขนมันลุกบ้างเออนี่แหละปีตินะสมัยนี้มีขนาดนั้นแล้วจะคิดอะไรมากมันก็ศึกษาโพธิปักขยธรรมให้ดีนะเพราะว่าโพธิปัจจะธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้อย่างหนึ่งแล้วก็ผู้ที่ต้องการตรัสรู้จริงๆต้องการบรรลุพระนิพพานก็ต้อง อบรมเจริญโพธิปัจขยธรรมเหล่านี้นะแต่ถ้าดูแต่ละอันแต่ละอันแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเพราะเพราะนี่แหละที่เรียกว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะาบรรลุอริยมรรคก็เหมือนคิดจะเอื้อมมือไปหยิบภวกรพรมเลยนะะก็ต้องใช้ความเพียนใหญ่ขนาดนั้นแต่ทีนี้อันนี้ท่านท่านพูดให้เราเพียนใหญ่นะถ้าเพียนถึงที่สุดแล้วท่านหมาว่าไรหรอกขอให้เพียนเถอะไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ทําแล้วก็ท้อซะแล้วเนี่ยนะ มาดูวินิจฉัยโดยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะโดยปฏิจจสมุปบาททุกขศัตร์กับสมุทัยศัสตร์เนี่ยนะคือปฏิจจสมุปบาทในสมุทยาวาระนะตัวทุกขศัตร์เนี่ยนะคือตัวปัจจยบันสมุทัยศัตร์คือปัจจัยอย่างเช่นเช่นลบ ก, กระดานก่อน เพราะมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้ใช่ไหมสิ่งนี้จึงมีเพราะมีสิ่งนี้หมายถึงตัดใจสิ่งนี้จึงมีหมายถึงปัจจยบันปัจจยบันหมายถึงผน่ะนะ ก็คือเพราะปัจจัยมีผลจึงมีหรือว่าอะไรนหนึ่งสิ่งนี้มีนะสิ่งนี้มีเพราะมีสิ่งนี้คิดดูนะ คนสมัยก่อนเขาฟังเขาเข้าใจเลยอะอย่างภาษารีบุตรเนี่ยท่านฟังแล้วท่านเข้าใจเลยนะฟังแค่นี้ยไม่ต้องขยายมากแต่ถ้าท่านฟังแล้วท่านตีเป็นปฏิจจสมุปบาทได้นะของเราถ้าบอกเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีไอ้สิ่งไหนเนาะคือของเราว่าง่ายๆเลยเราคิดเรื่องชีวิตน้อยมากเราไม่ค่อยเอามาเรื่องชีวิตมาคิดนะถ้าเราคิดบอกว่า ชีวิตของเราเนี่ยนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมเพราะอาวิชชาตันหากรรมเป็นปัจจัยก็ทีศกาบอกว่าพระองค์รู้ที่สุดของชาติและมรณะเท่านี้เอ ง, ง, งก็เท่านั้นก็ถือว่ารู้ที่สุดของชาติกับชราหรือมรณะเนี่ยนะ <c oughs> ก็ก็นั่นหมายถึง <c oughs> พระนิพพาน <c oughs> พนิพาณเนี่ยเป็นที่สุดของชาติกับมรณะชาติก็คือเกิดใช่ไหมมรณะก็คือตายพระนิ พ, พนานที่พน้นแล้วที่สุดเนี่ยนะอ๋อโดยเนียที่สุดอันนี้เป็นชื่อของนิพานที่สุดของชาติกับมรณะมันหมายถึงนิพานชาติกับมรณะคือทุกขสัตว์แสดว่ารูที่สุดของ ก็าานัแล้วก็แสดงทุกขสัตว์กับนิโรสัจจะพันตัวที่ทูตที่จะรู้นิโรสัจจะได้เนี่ยก็ต้องรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมทีนี้ตัวไหนที่ไปปฏิบัติจนรู้ละ่ะก็มรรคสัตว์แล้วทุกตัวนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสมุทัยสัตว์ น, นี่นะเขสันส้นตรงนี้หมายถึงว่าทั้งสองความหมายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท โดยอนุโลมสมุทัยวาระวาระว่าด้วยการเกิดเนี่ยเป็นอนุโลมสมุทัยวาระเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีถ้ากรรมมกตาไม่ดีนะเราจะ อ, าอะไรเป็นปัจจัยสิ่งนี้มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยต้องกรรมมศกตาดีจริงๆยคือ <c oughs> ถ้าบอ <c oughs> เพราะมีสิ่งนี้เราก็มาคิดดูนะถ้าคิดแบบเนี้ย เพราะมีสิ่งนี้คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอวิชาตันหาใชนะ่พบใหม่มีแน่เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีหรือสิ่งนี้มีเพราะอะไรอวิชาตันหากรรมนาดิตมีสิ่งนี้จึงมีเพราะฉะนั้นวัตตะในภูมิสามการสามเรียบร้อยแล้วด้วยคำไม่กี่คำเนี่ยทีนี้สิ่งนี้ไม่มีเนี่ยนะสิ่งนี้ไม่มีอันนี้ต้องหมายถึงนิโรธะอย่างเดียว อันนั้นสิ่ขออภัยนะสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีนหรือว่าเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอันนี้คือเน้นอธิบายสัจจะเดียวคือนิโรธสัจจะก่อนนะสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ดับเพราะสิ่งนี้ดับหรือเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นนิโรธสัจจะอย่างเดียว นนิโรสัจจานั้นก็เท่ากับว่าเป็นอารัมมณะปัจจัยของอริยมรรคโดยส่วนเดียวเพราะ น, นั้นจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิโลมเรียกว่านิโรทวาระนิโรทวาระ <c oughs> หรือถ้ากล่าวอีกอย่างที่เราคุ้นเคยกันบ่อยๆนะคุ้นเคยกันบ่อยๆก็คือชรา ม, มรณะ ชารามรณะเป็นอะไรสัจจะทุกขสัจนะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธาคาไมนีปฏิปทาชารามรณะเนี่ยตรงๆเลยใช่ไหมทุกขสัจเห็นไหมชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธ ชรามรณะนิโรธคามมนีปฏิปทานั่นก็นี่ถ้ากล่าวตามอริยสัจนะอริยสัจแนวนี้เนี่ยแสดงไว้โดยเฉพาะในในวิพังนะในวิพังเนี่ยยกปฏิสัมพิทาวิพังเนี่ยผู้ที่จะรูะ้พวกปฏิสัมพิทาเนี่ยจำแนกพวกนี้เก่งมากแล้วในขณะเดียวกันก็ในสังยุตตนิกายนิทานอวักก็นิยมแสดง ธรรมะประเภทนี้มากเนไหมปฏิสัมพิ t าก็เลยยกเอาข้อความเหล่านี้มาอธิบายตามพระพุทธพจน์ปฏิสัมพิธานี้ภาษารีบุตรเรียบเรียงขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นพุทธพจน์ก็ในปฏิสัมพิ t าวิพังกับในสังยุตตนิกายนิทานวักเนี่ยจะมีแนวนี้บ่อยมากเลยชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธทคามินีปฏิปทาท้าไล่ลงมาก็จะเป็นอะไรชาติ ชาติสมุทรไทยชาตินิโรธชาตินิโรธทคาไมินีปฏิปทาไล่อย่างเนี้ไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดนั้นก็คืออะไรก็คือขันห้าขันห้ามีเรียกชื่อหนึ่งตามสภาวะเรียกว่าทุกทุกทุกขสมุทรไทยทุกขานิโรธทุกขนิโรธทราคามินีปฏิปทาขันอายตนะก็ได้ก็สาวไปหาสมุทรไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นขันเนี่ยจะไม่บอกว่าขันขันสมุทรไทยขันนิโรธขันนิโรธทคามินีปฏิปทาอย่างนี้ไม่พบ จะมีคาว่าทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่ในหนึ่งะหนึ่งก็สกายะสกายะสมุทัยสกายะนิโรธสกายะนิโรธคาไมินีปฏิปทาโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาก็ใช้ใช้แทนคาว่าขันเนี่ยโดยใช้คาว่าทุกสกายะแล้วก็โลกแล้วก็อีกชื่อหนึ่งคืออุปธิ นะอุปธ <c oughs> สิส่วนกลุ่มนี้โดยทั่วไปจะเป็นธรรมะที่ไม่มีส่วนเหลือเป็นกลุ่มเรียกว่าทุกขสัตย์ในภูมิสามนี่แสดงโดยสิ้นเชิงแต่ส่วนทั่วไปก็จะแสดงแบบมีส่วนเหลือเช่นภาษายตนะภาษายตนะสมุทยัยภาษายตนะนิโรธภาษายตนะนิโรธาคาคำม่มีปฏิปทาพวกนี้มีส่วนเหลือหรือเช่นท่าสีเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นคาที่มีส่วนเหลือ นั้นใครจะชอบแบบพิสดารหรือชอบแบบย่อก็ได้แต่ของเรานี้เรียนพิสดารไว้ก่อนไม่ผิดหรอกเพราะว่าถ้าบรรลุเพ่อย่อ ก, ก็บรรลุมานานแล้วเนี่ยนะเมื่อสักสามปีที่แล้วนู่นแหละใ <c> น <oughs> จะปีสี่อยู่แล้วนี่ก็ยังในนี้ก็นี้ก็เรียนพิสดารไว้แต่ไม่ผิดหวังหรอกอย่าไปขอย่อๆเลย จนจะเป็ดอยู่แล้วเนี่ยเอาอยาตาปริญญาไปก่อนไนปะทตีรณะปริญญาก็ได้ตีรณะปริญญาอยู่แล้วก็มาเรียนอาทีนวานุปัสนาบ่อยๆนั่นนะอาทีอะไรนะอาทีนวสัญญา น, ะนั่นแหละเอาตีรณะปริญญาไป ถึงถ้าจะพิจารณาพิปัจนานี่นะอันนี้จังทุกครั้งนักตกานี่นะที่เราก่อนที่เราเข้าใจว่าเราพิจารณาเช่นเช่สมมุติถ้าเราเห็นเห็นสักสังขาร ใ, นใดนี่นะเราพิจารณาเออนี่ความไม่เที่ยงเช่นสังขะเช่นเช่นสังขารเช่นสมมุติว่าเอยกําแพงอันนี้เนี่ยตะกอนนี้เนี่ยมันมูยร้อนตั้งใหม่ๆมันไม่ใช่อย่างนี้ผมเคยนึกนะะแล้วก็เคยถูกถูก ทวงอะโถ่เฮ้ยรู้อะไรอย่างนั้นไม่ได้รู้ปรัชญธรรมอะไรเลยอย่างเ้ยนะฮะเราก็หยุดไปเลยนะฮะแล้วคิดต่อเลยเลิกคิดนะฮะนั่นเรื่องคิดนึกนะอย่างนะครการที่เราเห็นสัตว์ก็ดีนะี่นะฮะเราสามารถตึกได้ว่าปัจจุบันเนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยถอยไปอีกสิบปีเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะสวยกว่านี้งามกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็แล้วก็ยังตึกคิดได้อีกว่าคิดไปหาตอนสวยเลยนะก็นก็คิดไปหาสุภาพไม่ใช่นะการคิดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรเลยอ่ะปัญหาสำคัญคือทำไมไม่คิดอย่างนี้นเนี่ยไ อ, อ้รตรงนี้เนี่ยที่ที่เป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญละในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเป็นพระพิสุเลยนะสมณะเพศเนี่ยถ้าไม่ตรึกอย่างนี้ท่านถือว่าคนเกียดคร้าน เพราะไม่ทําการโยนิโสมนัสการเพราะโยนิโสมนัสการก็คือคิดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเครียกว่ากลาปะสัมมาสนาเนี่ยนะก็พิจารณาโดยความเป็นกลุ่มทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นพรหมจันทร์เหมือนกันเถอะเป็นถ้าถ้าเป็นพวกรักษาอุโบสถก็สมาทานศีลแปแล้วก็ประพฤติศีลแปดเป็นพรหมจันทร์การเจริญอันนี้ก็เรียกว่าเป็น พรหมจรรย์เป็นมรคพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่จะต้องเจริญจะต้องทำขึ้นถ้าไม่ทำไม่เจริญเลยถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจารย์หรืออุปชาก็จับเข้าฝ้ากัการพิจารณาอย่างนี้นะฮะในในเรื่องในในในรูปธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ยากเกินไปนะฮะในเรื่องรูปธรรมเนี่ยอย่างการพิจารณาเนี่ยในชั้นแรกเนี่ยไม่ใช่ว่า ต้องคิดให้ดีนะไม่ใช่คิดถึงอะไรแล้วสิ่งนั้นแตกโพะเลยนะไอ้ท่าอย่างงี้นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่การพิจารณาเรื่องอ น, นิจจงเลยเช่นก็แบบอย่างรวมๆเลยนะว่าอย่างหลักตึกหลังนี้หรืออาคารหลังนี้ควรจะใช้งานอีกกี่ปีใช่ไหมไอ้คาว่าอ น, นิจจงไม่ได้หมายคำว่าคิดปั๊บเดี๋ยวก็ไฟไหม้แล้วเดี๋ยวก็ยุบทับมาตายก็ได้คือมันไม่ใช่ในลักษณะคิดเพื่อจะ เป็นกลุ่มคิดเพื่อทำลายไม่ใช่แต่เป็นการมองอายุใช้งานของทุกเสียงตามตามเป็นจริงนะนะคล้ายๆที่ผู้การว่าเห็นถนนว่าถนนเส้นนี้มันควรจะอายุนานเท่าไหร่นี่นะก็ระลึลกไปเรื่อยๆใช่ไหแล้วกว่าจะมาเป็นถนนเนี่ยมันลำบากเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแล้วที่สุดของมันเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อไปถ้ามันเสียหายไปแล้วหรือ้าเหมือนกับเห็นอะไรเห็นทางด่วนที่กรุงเทพหรือ โอ้นี่ถ้ามันหมดคุณภาพแล้วจะทำยังไงเพราะว่ามันก็ทุกอย่างมันก็มีอายุใช้งานของมันทั้งหมดเนี่ยนะังนั้นการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือการพิจารณาอายุใช้งานอย่างที่เรียกว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่เที่ยงก็ดูตามอายุการใช้งานของอย่างกรรมชรูปเลยควรจะอยู่กี่ปีดีควรจะอยู่กี่ปีก็ไม่เกินเนี่ยไม่เกินร้อยปีอนะ่ะร้อ้อยหนึ่งปีก็ถือว่าหนักหนาสาหัสมากแล้วนะถ้าใครอยู่ถึงร้อยหนึ่งปีนะเอาไหม จานแดงสนใจไหมไม่เอานะนี่ก็จะเอาถึงร้อยหนึ่งปีคืออายุมันไม่เกินนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้วล่ะอันนี้คือนี้กลุ่มกรรมม่ชรูปนะที่เรียกว่าดูที่ชีวิตตินรียถ้าอาหารชารูปนะเมื่อหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงอันนี้คือความไม่เที่ยงของอาหารชรูปใช่ไหมถ้าความไม่เที่ยงของจิตตชารูปนะเดี๋ยวเนี่ยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวก็หน้าเบื้องมาอีกแล้วอย่างนเงี้ยอันนี้ก็พิจารณาถึงรูปที่ไม่เที่ยงของ จิตแต่ชรูปเนี่ยนะแล้วอุตุเป็นสมุทฐาน oh, น่ะก็พิจารณาไปตามนั้นไปเพราะฉะนั้นเขาเขาคนที่พิจารณาไม่เที่ยงเนี่ยเรื่องสมุทฐานเขาแม่นยำมากมันไม่ใช่พิจารณาไม่เที่ยงแบบคิดแช่งเออเดี๋ยวก็หกเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เน่าไม่ได้ไปคิดในลักษณะที่นี่ที่แบบเป็นคิดไม่ตรงต่อเป็นจริงไม่ใช่แต่เป็นการมองตามเป็นจริงของสัพพสังขารว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเกิดเป็น เบื้องต้นหรือตายเป็นที่สุดก็เอาเรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ยมาคิดเยอะๆกันแล้วกันเถอะเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยธรรมะเป็นที่พ้นความเกิดและความตายถ้าไม่รู้จักความเกิดและความตายอย่างไรก็รู้พระนิพพานไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า <c oughs> วัตถุประสงค์ในการคิดอย่างนี้เนี่ยนะวัตถุประสงค์เราทัดเจน์ครับว่าเพื่อที่เราจะไม่มีปัญหาและทิฏฐิใ น, ในในในสิ่งที่เรา ที่เราเป็นอารมณ์ของเราถูกไหมครับรนี่คือวัตถุประสงค์ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคิดยังไงก็แล้วแต่นะถ้าไม่คิดอย่างนี้นะเราก็จะเข้าไปมีเข้าไปมีตัณหาเข้าไป ม, มีทิฏฐิในนั้นคือคืออย่างอย่างว่าอย่างที่กล่าวว่าพื้นฐานของคนที่มาเรียนวิชาเนี่ยนะทำไมจึงมาเรียนอันนี้แหละที่ที่เรียกว่าต้องเอามาคิดเลยแหละทําไมเราจึงมาเรียนธรรมะเราต้องการอะไรอันนี้ถ้าอันนี้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะเรียนไปเรียนมาก็ไม่รู้จัก จะให้มันเป็นอะไรเหมือนกันแล้วสอนอ่ะสอนมันห่างเหลือเกินอ่ะที่สอนวิปัสสนากันเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรเนี่ยมันห่างถ้าจนไม่รู้จะหา่างยังไงครับ